เออเพอะเหยียบน้นามมันต้องทกพอผลแห่งการเหยียบน้นามมันทกแล้วจะเอาอะไรมาแก้ก็เอ า, เอาสิ่งที่มาบงคือทาทาหน้าที่บงออกเอเอาออกบงบกน้ำออกอันนั้นคือมักได้เมื่อเราบงน้ำออกแล้ว เราก็มีความสุขเพราะว่าน้ำออกจากร่างกายเรา น, ะนี่แหละแล้วว่าสมุทัยคือเหตุให้ทุกเกิดก็คือน้ำนอกเมื่อตำเท้าของเราอันนี้มันทกุกข์ละจ้ในเมื่อมันทุกข์แล้วเราก็ต้องหาสิ่งที่ม้ามเอาออกเอาน้นาออกจะเป็นเข็มหรือจะเป็นผ่าตัดถ้ามั น, น้ําใหญ่มันก็ต้องผ่าเข้าไปจากนั้นก็ผ่าแล้วก็รักษาแผลให้หาย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 ภาวะตันหาวิภาวะตันหาเนี่ยอันนี้เป็นภาษาบาลีนั้นลูกหลานกนัตธายาจโจมพวกเราฟังก็คงจะไม่เข้าใจกามัตันหาคืออะไรคือความทะเยอยากมีคู่หัวผัวเมีย อ, อันนี้คือว่าการมตันหาภาวะตันหาคืออยากจะได้ยศถาบรรดาศักสูงส่งขึ้นไปอยากจะมีเงินมีทอง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 ที่ทําให้ทุกเกิดพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นนะคณะสัทายาธิโภมลูกหลานไม่ใช่คําพูดของหลวงพ่อนะพูดมาในพระธรรมคําสอนณว่าสมุทัยคือเหตุให้ทุกเกิดมีการมตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหาและจะแก้อย่างไรถ้าว่าจะเอามักมาแก้ก็คือกรรมตันหากระต้องพิจารณาร่างกายสังขารให้เป็นอสุภะปฏิคูล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 เพราะไม่รู้จักคุณค่านะเพราะเป็นบ้านเศรษฐีเก่าแก่ได้ตกมรดกแบ่งถาดกันเลย่ะผหนึ่งก็ได้ถาดมาได้ถาดมาัดำดำๆมาทิ้งไว้ในบ้านพู้นั้นจูก็ว่าอ้าวใครมีถาดมีทองเหลืองทองแดงมาเปลี่ยนเอาสายสร้อยได้นะยายเก็คิดเห็นถาดตัวเองอยู่ในอยู่ในครัวนะที่ถาดทิ้งๆไว้นะก็เลยถือมา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 เสียแต่ผมที่ชั้นก็จะเปลี่ยนมันดูซิที่ไหนยายเอาทองถาดทองคําเข้ามาแต่มันเข้ายางปรี้วนะมันดำกระดงกระด่างหมดแล้วเพราะทองคําไม่ได้ขัดใช่ไหมที่ไหนทอเออเสียนี่เสียนี่ก็มาจับยกขึ้นมาโอ้วันนี้ทองคาเนี่ยแล้วก็ดูนี่ยนะมีพ่อค้ามาเมื่อกี้เนี่ย พึ่งไปไปเนี่ยะออยกให้แล้วว่า เ, เขาบอกว่ามันไม่มีราคาเขาเปลี่ยนให้ได้แต่สามสามสี่ 3, 3, ชิ้นตนเองเอแต่หลานของฉันมีทั้งสิบคน่สิบกว่าคน่ะเดี๋ยวเขาจะทะเลาะกันในฉันไม่เปลี่ยนให้เข า, าเอพ่อค้าี่คือพระพุทธเจ้าใช่ไหมเอเป็นพวกเป็นพ่อค้าที่ซื่อสัตย์ตัวนี้ยกขึ้นมาโอ้หนักใหญอ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 ทองเนะี่าก็เนี่ยเรากเอานหะเออถ้าเป็นหล่งอย่างนี้มันหักหลังกันเนะี่ยเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันไม่ได้ละเราเออตั้งแต่บัดนี้ไปตัดญาติขาดมิตรจะเป็นอริจตู ต, ต่อกันต่อไปภายภาคน้าข้าพเจ้าจะจองเวรทุกออกูจะจองเวรมึงทุกพบทุกชาติว่าไม่ใช่ธรรมดาดเนี่ยโมโหขึ้นมาอย่างสุดขีดนะเนกูจะจองเวรจองกรรมกับมึงทุกพบทุกชาติทุกเม็ดหินเม็ดใส่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 อันนี้รับว่าเราอยู่ในเกิดในประเทศปฏิรูปประเทศสวาโซจกะกรปุเพจักกตปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิธิปฏิรูปประเทศคือประเทศไทยของเราธรรมชาติก็ไม่ข่าพวกเรามากแผ่นดินก็ไม่หว้นไหวแล้วก็ฟ้าฝนก็ไม่ถลม่มมีแต่ปีห้สีนทะ่ะน้้ำท่วมกรุงเทพนะปีนด้นเห็นไหมทุกพอสมควร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 คิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำเสลยดีกว่าเมื่อเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังฮนั่นนะแล้วจะทำยังไงหลวงพอ่อให้มีศีลห้าหลวงพ่อว่าศนะิลห้าเนะ่เป็นศีลคุ้มของโลกมาตั้งแต่ดึกดำวันถ้าคนไม่มีศีลห้านะเขาเอาไปขังคุกไว้ได้ให้ไปถามดูน ะ, ะที่ขังคุกในเมืองกุฎอนหรือขังคุกที่ไหน